การใช้แผนที่นะครับถ้าจะใช้แผนที่จริงๆนะหนึ่งแผนที่ต้องติดตัวไปด้วยเนะี่มีทหารนะไม่ใช่แบบแผนแผนที่ทิ้งไกรมทหารแล้วเข้าป่าไปลบเนี่ยนะไม่ใช่นะต้องแผนที่ติดตัวไปด้วยนะ<ช>นะแต่ว่าหน่วยหรือว่าบุคคลนะจะมีแผนที่ไปสองเมื่อมีแผนที่ไปแล้วนะจะต้องดูแผนที่ด้วยแล้วก็ดูในภูมิประเทศด้วยนะดูประกอบกันทั้งสองอย่าง นะจึงจะเรียกว่าผู้ใช้แผนที่แล้วก็เมื่อดูแล้วไม่ใช่ดูเฉยๆนะต้องเดินไปให้ถูกด้วยนะนะเดินไปให้ถูกแล้วไปเจอของจริงอย่างในแผนที่บอกด้วยเช่นแผนที่บอกว่าอันนี้อันนี้ยอดเขาที่ตรงนี้นะชื่อเขาอะไรนะหมู่บ้านอะไรอยู่บนยอดเขานี้เมื่ออ่านแล้วดูแล้วต้องเดินจริงๆด้วยเดินแล้วก็ไปดูด้วยว่าไอ้หมู่บ้านนั้นชื่อนี้จริงหรือเปล่า ถ้าหมู่บ้านนั้นจริงเออนะ่นหมายว่าเราเราใช้แผนที่ถูกแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะพระธรรมคําสอนเนี่ยต้องต้องลักษณะเดียวกันเลยถามว่าพระพุทธเจ้านี่คําพูดของพระองค์มีเปลี่ยนแปลงไหมคําว่าตถาคตอีกพระอีกศัพท์หนึ่งก็คือวาจาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวาจาที่จริงที่แท้ไม่แปรผันนั่นแหละขันความวาจาที่พระองค์ตรัสไว้นะมั่นคง อันข้อความในคำพีอย่างคำพีพุทธวงศท่านกล่าวว่าวาจาของพระผู้มีพระภาคนะเหมือนกับขอโทษนะผู้หญิงที่มีท้องครบกําหนดคลอดแนะ่คือไม่ปล่อยให้มันเกินหรอกวาจาของพระพุทธเจ้าก็แน่นอนเหมือนกันหรือคนแบกของเนี่ยนะไปถึงยังไงต้องวางแบกปูนกระสอบหนึ่งทักลูกหนึ่งไปถึงในี่ใครไม่วางล่ะวาจาพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกัน หรือของอบุคคลซึ่งโยนของขึ้นข้างบนเนี่ยตกแน่นอนฉันใดพระพุทธวาจา ก, ก็จะคล้ายกันหรือดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยตกแน่นอนพุทธพจน์เนี่ยมั่นคงขนาดนั้นเพราะคําพูดของพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะมาพูดคำเหล่านี้ได้สี่อาสงไข่แสนกลับนับวันได้รับพุทธธรรมนายนะเรียกว่าคิดในใจไม่ไม่นับเปล่งวาจาทําบุญทั่วไปไม่นับแต่นับตั้งแต่วันได้รับพุทธธรรมนาย ะ เ, เพราะฉะนั้นทำมังสารนังฆาชามิเราต้องมั่นคงมากๆเลยว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติหมวดไหนปฏิบัติธรรมอะไรและธรรมะนั้นๆเนี่ยศาสดาของเราเกล่าวไว้อย่างไรถ้าเป็นสมัยก่อนน ะ, ะพระภิกษุท่านเข้าไปในวัดของนักบวชนอกศาสนาเขาก็มีการไปคุคยกันศาสนาทางโน้นเขาว่ามาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ท่านก็นไม่คัดค้านไม่ได้โตตอบไม่ยินดีเออรับฟังรับฟังด้วยคิดว่าจะไปให้พระผู้มีพระภาคตรัสพระองค์ตรัสไว้อย่างไรก็จะเอาอย่างนั้นเพราะพุทธเจ้าเหมือนกับตาช่างคําพูดของพระองค์เนี่ยมั่นคงแน่นอนมากดงนั้นเขาศรัทธาในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสศรัทธาในความเป็นสัพพัญยูเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่เป็นอินทรีย์ห้าขึ้นต้นด้วย ศรัทธานะศรัทธาเพิ่งเห็นที่ไหนเพิ่งเห็นที่ในโสร์เรียกว่าโสร์ตาปฏิยังฆ่าธรรมอะถ้ามีศรัทธาจริงๆต้องศรัทธาแบบโสด์ตาปฏิยังฆ่าธรรมมีอยู่สประการหนึ่งนะคบสัตว์บุรุษสองฟังธรรมของสัตว์บุรุษสามโยนิโสมนัสิการะสี่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละอันศรัทธาจริงๆจะต้องอยู่ตรงนั้น พันธ์เราก็จะได้มั่นคงในลักษณะแผนที่ว่าเรานั้นปฏิบัติตามสาระของเราคือธรรมังสารนังค่าฉามิเมื่อเราปฏิบัติตามนั้นจึงจะเชื่อว่าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนเราจะเข้าใจเรื่องไตราสารณคมมากขึ้นนัผู้ที่เข้าถึงไตราสารณคมจริงๆแบบลึกซึ้งได้แก่พระอริยเจ้ามีพระโสดาบันเป็นต้นนั้นท่านจึงมีศรัทธานใน สารณะโดยที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงท่านเห็นพระพุทธเจ้าโดยการเห็นธรรมท่านถึงทำมังสารนางฆาฉามิอย่างเช่นทำมังได้แก่พระปริยัติอริยมรรยผลและนิพพานพระโสดาบันนะท่านเกิดโดยการฟังอันปริยัติธรรมท่านแม่นยำอริยมรได้และโสดาปฏิมรโสดาปฏิผลท่านก็เกิดโสดาปฏิมรเนี่ยเรียกทัศนะมรอันนั้นเห็น นิพพานอนันท่านจึงเข้าถึงสาระคมมันั้นอย่างมางั่นคงพราะในขณะที่ท่านดําเนินตามข้อปฏิบัติที่ท่านฟังนั้นท่านเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนเพราะท่านปฏิบัติธรรมสมควรในการถึงธรรมนั้นแล้วนะเรียกว่าปฏิบัติเพื่ออนุวัตตามธรรมะนั้นแล้วนั่นแหละอย่าลืมแล้วครับตอนนี้เรากําลังเรียนเรื่องไตาสารณคมมันพูดไม่ห่างเรื่องนี้เนาะ ครั้งที่แล้วพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับในแพทย์ผู้ฉลาดนะในแพทย์ผู้ฉลาดพระ อ, องค์น้วางยายาถ่ายยาสำรอกยาถ่ายยาสรอในครั้งที่แล้วได้แก่สัมมตรธรรมสิบประการเป็นยาถ่ายยาสำรอกที่รักษาโรคเกิดแก่เจ็บตายโรคร้องให้โซกะปริเทวะได้อย่างแน่นอนเลยไม่ผิดพลาดหายแน่นะถ้าแต่ก็ต้องมียา อันดับแรกก่อนนะว่าอย่างอันดับหนึ่งคือสัมมาธิฏฐินะถ้าวางสตั้งกับสั ม, มาธิฏฐิมาอย่างดีแล้วนะอย่างอื่นไม่ผิดแน่นั่นแหละอันสั ม, มาธิฏฐินี้เป็นเบื้องต้นของอริยมรดสนั่นแหละเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานที่กุยมผู้การกล่าวถึงว่ามรรคผลเนี่ยต้องเกิดขึ้นด้วยปัญญาปัญญานี้แหละเรียกว่าเป็นปัญญาที่เป็นสัมมาธิฏฐิ สัมมาทิฏฐิอีกชื่อหนึ่งนะถ้าเป็นโลกยะทั่วไปเรียกว่าวิปัสนาเพราะสมาทิฏฐิหรือปัญญามีอยู่ห้าประการด้วยกัน 1. กรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิ 2. วิปัสนาสัมมาทิฏฐิ 3. ชาณะสัมมาทิฏฐิชานะมัคคสั ม, าสามมาทิฏฐิ 5. ผลสัมมาทิฏฐินั่นแหละ บางท่านกล่าวว่ามีหกคือปัจจเวขณะสัมมาทิฏฐิด้วยปัจเจเวขณะยาณเฉั้นสัมมาทิฏฐิเหล่านี้ต้องต้องเป็นไปตามแนวนี้นะเพราะนั้นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเพื่ออะไรเพื่อถ้าเป็นคําสอนในพุทธศาสนานะเพื่อฌานและวิปัสสนาแม้แต่ฌานของในคัำพีหรือในพระไตรปิฎกต้องรู้ว่าต้องเป็นฌานที่เป็นบาทของวิปัสสนาต้องเป็นฌานที่เป็นบาทของวิปัสสนา อันนั้นก็คือถามว่าฌานที่เป็นบาทของวิปัสสนาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือฌานนั้นเป็นขันห้าไหมฌานนี้ไม่ครบห้าขันใช่ไหมเป็นได้แค่สี่ขันนั่นแหละฌานก็คือนามขันสี่นั่นเองนามขันสี่เกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมสิ่งใดที่เกิดด้วยปัจจัยเทีย่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะนานอันนั้นก็ต้องเป็นบาทของการเจริญวิปัสสนานั่นแหละยังสงสัยอยู่อ่ะ คือบอกว่าชานเป็นบาตรนู้นศสนาเนี่ยแล้วก็เคยอ่านพบบอกว่าเวลาจ ะ, จะเจริญที่ศา ส, สนาก็ออกจากชานแล้วก็เอาองค์ชานนั้นและมาพิจารณาเนี่ยอย่างนีนะ้ฟังดูง่ายๆนะครับแจนพานนะแล้วจริงๆมันยังไงเป็นเป็นบาตรของศา ส, สนายังไงเช่นสมมติว่าพวกผมเนี่ย ก็ะสีนก็วิสุทธิแล้วเอาวัคเทอรรักษาอย่างดีแล้วเอาวิเอ ว, ว่าเป็นวิสุทธินะฮะแล้วก็ตอนนี้จิตตะเนี่ยนะฮะเราก็มาเริ่มมาเริ่มที่เอาสมมุติว่าเราเรามีเมตต า, นาเนี่นะมีเมตตาสองอย่างนี้ก็เป็นเป็นฐานเป็นที่ยืนอะสำหรับเจริญนิพพสนาต่อไปใช่ไหมฮะคําว่าจิตตะวิสุทธิเนี่ยหมายความว่ า, วา เป็นเรื่องเป็นบาทของการเฉลิมปัสนาใช่ไหมครับเจนพคือเมตตาอันนี้เนี่ยนะถ้าผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องเหตุปัจจัยของเมตตาอยู่แล้วแต่ในชั้นต้นนะถระปริยัติธรรมในการเรียนมาต้องชัดเจนอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วเรียกว่าฟังมาอย่างดีฟังนั้นเลยฟังเรื่องเมตตาโดยสมถะอย่างไรฟังเรื่องเมตตาโดยวิปัสนามาอย่างไรนะฟังมาอย่างดีแล้วสามารถสง่งเคราะห์วิปเมตตาเป็นขันธ์ธาตุยตนะสัจจะอินทรีย์ได้หมดเลย เมตตาองค์ธรรมได้แก่อโทศาสเจตสิกเป็นขันอะไรสังขารขันขขเป็นอายตนะอะไรธรรมายตนะเป็นธรรมาธรรมาตุเป็นทุกขสัตว์นั่นแหละเป็นอินทรีย์เนี่ยไม่ได้ น, นะปฏิจจสมุป บ, บาทไหมก็คืออยู่ในประเภทภพ อ, อยู่ในประเภทภพนั่นแหละ ขันถ้ามีความเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วพอพอสองข้อโดยขันท่าอริยตนะปับ๊บปัจจัยของสิ่งเหล่านี้คืออะไรนะโดยชั้นการศึกษาเนี่ยเราต้องมั่นคงอยู่แล้วทีนี้พอการเจริญเมตตาปั๊บนั้นนะอาศัยคนที่พื้นฐานกายกรรมดีวจีกรรมดีอย่างดีแล้วนะจึงจะมีเมตตาเช่นสมมติถ้าหากว่าโยมผู้การเนี่ยเจริญเมตากับโยมป้าชมเชย พันกายกรรมของผู้การเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนโยป้าอยู่ล้นะวจีกรรมต้องไม่เบียดเบียนแต่ในขณะเดียวกันกายกรรมนี่เป็นกายกรรมที่หวังประโยชน์หวังความสุขเป็นวจีกรรมที่หวังความเจริญนั่นแหละเสร็จแล้วความคิดที่หวังดีปราถนาดีว่าขอให้มีความสุขนะให้มีความสุขให้มีความเจริญอ่ะ ไม่เบียดเบียนให้เรียกว่าเขาจึงใช้คําว่าอัปประมาณยาเพาให้มีความสุขหมดเลยอะความทุกอย่างอื่นไม่มีเลยอ่ะให้มีแต่สุขโดยทายเดียวอ่ะเหมือนกับมาตายฐานน่ยังอ่ะเหมือนกับแม่ที่มีลูกคนเดียวเนี่ยถนอมดั่งแก้วตาดวงใจเนี่ยอยากให้มีความสุขนะทุกใดใดไม่ให้มีเลยกับลูกคนนั้นอะ่ะมีเมตตากป็ลักษณะเช่นนั้นหรือคนที่เราเคารพที่สุดเรายําเกรงที่สุด เสร็จแล้วนะเราคิดถึงคนอื่นเหมือนกันให้มีความสุขความเจริญโดยที่ไม่เบียดเบียนอย่างอื่นแม้แต่นิดเดียวเสร็จแล้วพอพิจเจริญลักษณะนี้นะคนที่มีความสามารถก็สงบได้นานนะข่าอบรมมากก็สงบนานอบรมน้อยก็สงบน้อยก็แล้วแต่เขาจึงเรียกว่าประเภทภาวนาก็อยู่ที่การอบรมถ้าหากว่าภาวนาหรืออบรมมากๆเข้าลักษณะนี้แล้วอ่ะก็สามารถที่จะเวลา ไม่คิดเรื่องนี้ปั๊บนะแค่เมตตาไม่อ่าบก็เลิกเจริญเมตตาก็ไม่ใส่ใจแบบนี้ปั๊บเมตตาเราก็หมดไปเสร็จแล้วก็มาพิจารณาถึงว่าเมตตาทั้งหมดที่เจริญมานี่ด้วยเหตุปัจจัยอะไรทําไมจึงเจริญเมตตาทําไมต้องมาเจริญเมตตาถ้าถ้าลักษณะนี้นะจะรู้ถึงลักษณะของเมตตาปัจจัยที่ทําให้จิตเป็นเมตตาในขณะนั้นๆั้นอะไร แล้วแม้แต่อารมณ์ที่อาศัยเจริญเมตตาเนี่ยพื้นฐานของอารมณ์ที่เป็นเมตตาคือสุขิดัสสัปสุขิดัสสัปนี้เป็นบัญญัติที่อาศัยขันห้าเป็นอารมณ์เพราะฉะแม้แต่อารมณ์นั้นก็คือเป็นบัญญัติที่อาศัยขันห้าก็พิจารณาว่าแม้แต่บัญญัตินั้นน่ะที่อาศัยขันห้าและขันห้าที่ยงมีไหมก็สามารถที่จะพิจารณาเรื่องปัจจัยของขันห้าต่อไปซึ่งมัน เขาบอกว่าคนชํานาญเนี่ยนะคนชํานาญแล้วมันมันแค่เปลี่ยนเรืวว่องคิดเท่านั้นเองเอางี้นะถ้ามีลูกอยู่สองคนอะ่ะคนเล็กกับคนโตเวลานึกถึงลูกคนโตอยู่ดีๆนึกถึงลูกคนเล็กยากยไหมหรือนึกถึงข้างหน้ากับ น, นึกถึงข้างหลังนึกยากยไหมจะไปยากอะไรฟา์มือกับล้างมือเนี่ยเลิกยากยไหมคนที่ชํานาญในเรื่องนั้นๆจะไม่ยาก พื้นฐานความรู้เรื่องสมถะวิปัสนาต้องเป็นอย่างดีนั่นแหละพู้นั้นต้องเป็นเขาเรียกว่าภาพปริยติธรรมต้องศึกษามาอย่างดีแล้วสมัยก่อนนี้ก็ท่องมาเลยอ่ะเขาจาแม่นยําเป๊ะๆเวลาสงสัยปั๊บนึกถึงสูตรทันทีเลยพระองค์ตรัสว้ยังไงกับเรื่องนี้เสร็จแล้วเขาจึงมีการเข้าศึกษากับคนที่จะเอากรรมฐานสมัยก่อนเขาแนะนําให้ไปเอากับภาพปริยะศึกษากับภาพปริยะในหนึ่ง อีกในหนึ่งก็คือศึกษากับพระผู้ทรงพระดัยพิดกนั่นแหละอันเขามีปัญหาป้าเขาก็ปรึกษาครูอาจารย์ที่ชํานาญในพระดัยพิดกอยู่แล้วนั่นแหละก็ก็จะมีการแนะนํามีการบอกว่าคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้ผิดสูตรนะคิดอย่างนี้ควรคิดอย่างนี้เสร็จแล้วควรเปลี่ยนความคิดนะไอ้คิดอย่างงี้ผิดทางนะคิดอย่างนี้ฟุ้งซ่านนะคิดอย่างนี้กุศลไอ้ความคิดนี้เกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมทําไมคุณจึงคิดอย่างนี้เขาก็จะมีการบอกกล่าวมีการแนะนํานั่นแหละ ครูบาอาจารย์เนี่ยกาลยานามิตรจึงมีความสําคัญมากแต่กาลยานามิตรนั้นๆน่ะก็ต้องมีคุณธรรมอย่างที่ว่าไปแล้วอย่างในน้อยที่สุดเขาว่าเรียกว่าพวกที่ทรงพระไตวิโด ก, กันนะถ้าไม่ได้ทรงพระไตวิโดกก็ซักนิกายก็ยังดีนั่นแหละถ้าสมัยนี้ก็พิจารณาเอากันแล้วกันว่าใครที่เราสามารถฝากฝังเรื่องความคิดได้ใครที่สามารถช่วยเหลือเราได้ถ้าสมัยนี้นะถ้าจะมาแนะนําก็คือ พยายามอ่านพระไตรปิฎกให้ได้ระดับหนึ่งก่อนเพราะถ้าคุณปฏิบัติผิดนะสมมุติว่าเดินหลงทางกับอนะคนเดินทางโดยที่ไม่รู้จักทางแล้วก็ศึกษาทางให้เข้าใจแล้วเดินทางอันไหนจะถึงไวกว่าคนรีบเดินทางนะทิศมันมีแปดทิศใช่ไหมเมื่อมีแปดทิศหรืออทิศที่ถูกมันมีทิศเดียวอะ อีกเจ็ดทิศอ่ะนี่งราซื้อหวยอีบพอกันเลยนะสุ่มเดาวเนี่ยมันหวยยังเปอร์เซ็นท์ถูกยังมีนะแต่ถ้าเราสุ่มเดาแล้วปฏิบัติได้ถูกนะไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าก็ได้นะแต่นี้เรามีพระธรรมเป็นมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระธรรมเป็นสารณะมีพระสงฆ์เป็นสารณะสารณะคือที่พึ่งของเรากล่าวไว้อย่างไรนะต้องนึกถึงอันนี้ไว้เสมอเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมะเหล่านี้ปฏิบัติธรรมะของ พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราท่านผู้ใดสนใจเจริญเมตตานะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเอาเป็นว่าการเจริญเมตตาคือการคิดนั่นะคิดเมื่อคิดก็ต้องคิดถึงบุคคลประการที่สองต้องมีบุคคลให้คิดไม่ใช่คิดกับเสาต้องมีบุคคลให้คิดเมื่อคิดแล้วก็คิดดี นะคิดดีๆใหม่ๆคิดไม่ค่อยออกนะต่อไปคิดมากๆบ่อยๆชํานาญคิดออกเช่น <canyon> สมมุติผมจะคิดดีๆกับพี่ชมเชยเนี่ยนะเออนะขอให้พี่ชมเชยตาหายวันหายคืนนะเห็น ไ, ไหมคิด ม, มองเห็นพี่ชมเชยตาสว่างสวัยเลยอะ่ะนะนะนะเดินมาร่วมมาศึกษาธรรมะด้วยกันนะคิดถึงพี่ชมเชยก็มีสุขภาพดีนะเกสเขาก็เจริญนะมีคนมา อืมใช้บริการเยอะๆออใช่ไหมออฝนตกคราวนี้น้ำอย่าท่วมนะอะไรเง<ม>ี้ยคือคิดสารพัดที่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยปรารถนาดีทั้งนั้นเลยนะขอสุขภาพคุณหมอด้วยดีๆนะพี่ชมเชยจะได้สบายใจอใช่มเออคิดไม่รู้คิดแล้วแต่คิดให้มันดีไปหมดเลยอะ<ม>่ะนะ<ม>ถ้าคือมันตรงข้ามกับโทสะใช่ไหมถ้าโทสะคิดในแง่ลบ อั น, นี้คิดในแง่บวกคิดหาแต่ความเจริญของเขาอ่ะอนั่นแหละคิดแต่หาแต่ดีๆทั้งนั้นเลยว่างั้นดูนะลองลองดูนะลองลองหัดดูน ะ, ะเดี๋ยวนึกถึงว่ากล่าวถึงเรื่องอุปมาพระผู้มีพระภาคหน่อยให้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเปรียบเหมือนผู้ชี้ทางใช่ไหมในในหน้าสิบห้านะพระองค์นี้เป็นเหมือนผู้ชี้ทาง พระธรรมนี้เป็นเหมือนทางดีหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยพระสงค์เปรียบเหมือนผู้เดินทางถึงที่ที่ปลอดภัยนะพระพุทธเจ้านี้เหมือนกับผู้ชี้ทางซึ่งฟังพระสูตรหน่อยนะข้อความในคณกะโมกลาณสูตรคัมพีมัชิมนิกายอุปริปันธาข้อที่เก้าสิบสาม ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขามิคารมามดาในวิหารบุค พ, พารามกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพ ร, ราหมณ์คณกะโมกคลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทักทายปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าตามธรรมเนียมแล้ว จึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมตัวอย่างเช่นปราศาสตร์ของมิคารมามดาหลังนี้ย่อมปรากฏมีการศึกษาโดยลำดับการกระทาโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับคือกระทั่งโครงร่างของบันไดชั้นล่าง นันหะเพราะว่าเรื่องของการกอร่อสร้างทั้งหมดเนี่ยเขามีการศึกษาลำดับนับตั้งแต่การเขียนนะเอาเอาถ้าเป็นของเราธรรมดานะนับตั้งแต่กระเป๋าหนักหรือเปล่าที่จะสร้างอ่ะดูดูทุนก่อนใช่ไหมอ่าเมื่อทุนเท่าไหร่เสร็จหาแบบฟอร์มที่มันเหมาะกับทุนที่มีอยู่นะอันเรื่องนี้ต้องให้ผู้การเล่าให้ฟังว่า<ม>ในการกอร่อสร้างนั้นเขาทํากันยังไงนั่นแหละต่อไปนะ แม้พวกพราหมณ์เหล่านี้นะคือนักศึกษาวิชาสมัยก่อนนะพวกพราหมณ์ที่เรียนไตรเพศอะ่ะก็ปรากฏมีการศึกษาตามลำดับการกระทําโดยลำดับการปฏิบัติโดยลาดับคือในเรื่องของการเล่าเรียนนะถ้างนี้ถามอาจารย์มีนิ ด, ด้ธบายเลยว่าเขาเรียนลำดับยังไงเงี้ยอบายเลยเนาะแม้พวกนักรบเหล่านี้ก็ปรากฏมีการศึกษาโดยลำดับการกระทําโดยลำดับ การปฏิบัติโดยลําดับในเรื่องของการใช้อาวุธนะผู้การเล่าได้สบายเลยใช้อาวุธเนี่ยแต่ว่าเวลาเราจํากัดเนาะอดเลยนะเขาสามารถมีการอธิบายในการใช้อาวุธเป็นต้นเนี่ยโดยลําดับนะผการเล่าเลาวาดนับตั้งแต่เอาปืนมาถอดออกมาก่อนนะมาเช็ดเช็ดล่างก่อนจนกว่าจะโอ้กว่าจะยิงได้ไม่ใช่ของง่ายนั่นแหละ แม้พวกข้าพระ อ, องค์เป็นนักคํานวณคณะกะโมคาานะพราหมนี่เขามีอาชีพคํานวณเป็นนักคํานวณมีอาชีพในทางคํานวณก็ปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับการกระทําโดยลําดับการปฏิบัติโดยลําดับคือในเรื่องจํานวนเพราะพวกข้าพเจ้าได้สิทธิ์แล้วนะถ้าได้ลูกสิทธิ์มาเนี่ยเริ่มต้นให้นับอย่างนี้ว่านี้หนึ่งนี้หมวดหนึ่งอ่าะนะ เรียกว่าหนึ่งกับข้อหนึ่งเหมือนกันัหมหมวดหนึ่งก็คือข้อหนึ่งั่นเองหนึ่งอันนี้ข้อหนึ่งนะสองหมวดสองสามหมวดสามสี่หมวดสี่ห้าหมวดห้าหกหมวดหกเจ็ดหมวดเจ็ดแปดหมวดแปดเก้าหมวดเก้าสิบหมวดสิบให้นับอย่างนี้จนถึงจำนวนร้อยนะสอนไปเรื่อยนะก็เล่าเขาพารนาหมดจบไม่เป็นใช่ไหมข้าแต่ท่านพระโคดม พระองค์นี้อาจไหมหนอเพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลําดับการที่กระทําโดยลําดับการปฏิบัติโดยลําดับในธรรมวินัยแม้นี้เหมือนอย่างนั้นผู้าศาสนามีลําดับไหมนี่เล ย, ยมีไหมยั ง, ยงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เราอาจบัญญัติการศึกษาโดยลําดับนะเขาเรียกว่า การศึกษาก็คืออนุปปภะศิกขามีการศึกษาโดยลําดับการกระทําโดยลําดับก็คืออนุปปภะกิริยาการกระทําโดยลําดับและการปฏิบัติโดยลําดับก็คืออนุปปภะปฏิปทาการปฏิบัติโดยลําดับในธรรมวินัยนี้นะพระองค์ก็สามารถบัญญัติอย่างนี้ได้เปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้ฉลาด ได้มาอาชาในตัวงามแล้วเริ่มต้นทีเดียวก็ให้ทำสิ่งควรให้ทำในบางเหรียญ น, นะได้มามาก่อนก็ใส่บางเหรียนก่อนอันดับต้นต่อจากนั้นจึงให้ทำสิ่งที่ควรให้ทำยิ่งยิ่งขึ้นไปชั้นใดดูก่อนพรามชันนั้นเหมือนกันแหละนะนผู้ศาสนานั้นมีอนุปุพะสิกขาการศึกษาตามลำดับคำว่าศึกษาตามลาดับศึกศึกษามีกี่อย่าง สามอย่างหนึ่งอธิศิลธิกขาสองอธิจิตตสิข า, ส า, ส, ขาสามอาธิปัญญาตสิขานี่เขาเรียกว่าศึกษาตามลำดับอย่างนี้เดี๋ยวจะละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนอนุบุพภกิรยาก็คือทุดงทั้งสิบสามข้อที่จริงคารวาะก็สา ม, มารถรักษาทุดงได้นะเช่นเมื่อเดียวได้ไม่ือนกันใครสมาทานก็ไม่สงวนลิกิต มาทานได้ใครที่แบบจุบจิบจิบนับ่งเป็นเวลาเลยไหมนี่ก็เอาทุดงข้อ น, นี้ไปกันแล้วกันสมาทานไม่นอนเนี่ยในตัดชิกอิริยาบถสคือเป็นเวน้นเว้นอิริยาบถนอนอ่ะยืนเดินนั่งสามอิริยาบถนอนกับหลับเหมือนกันไหมไม่เหมือนนั่นแหละต่อไปอนุปุพระปฏิปทาการปฏิบัติตามลําดับ อนุปภาพปฏิปทานั้นหมายถึงอนุปัสนาทั้งเจ็ดอนุปัสนาเจดนั่นก็คือ1อนิจจานุปัสนาบอกเมื่ออนิจจานุปัสนาสองทุกขานุปัสนาสอานัตตานุปัสนาก็คือปัญญาที่เข้าไปเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกโดยความเป็นอนัตตาเมื่อสามอย่างบริบูรณ์นิพพานุปัสนาจึงบริบูรณ์ เมื่ อ, อนิจานุปัสนาทุกคานุปัสนาหน้าตานุปัสนานิพิธานุปัสนาวิราคานุปัสนาจึงบริบูรณ์นะเมื่อวิเมื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าบริบูรณ์หกจึงบริบูรณ์คือวิราคานุปัสนาจึงจะบริบูรณ์เมื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบริบูรณ์ปฏินิสัก ข, ขาจึงจะบริบูรณ์นะอนนี้โรธาเนี่ยผ่านไปสแสดงว่านับถึงเจ็ดแล้ว เพราฉันหนึ่งถึงเจ็ดนี่นะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองสามเนี่ยอยากได้อย่างหนึ่งก็ได้นะแต่ต้องชำนาญแต่ยังไงก็ตามต้องหนึ่งสองสามต้องบริบูรณ์นะวิปั ส, สนาญาอนุปั ส, สนาข้อสี่จึงจะบริบูรณ์นั่นแหละนี้เขาเรียกว่าอนุปุพพะปฏิปทาหรือมหาวิปั ส, สนา18หรือว่าอารมณ์กรรมฐานทั้งสาสิบแปดหรือว่าโพธิปัจกียธรรมสามสิบเจ็ดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีลำดับของเขานะมีการปฏิบัติตามลำดับไม่ใช่หวนห้วนองนั้นเถอะ พระองค์บอกว่าไม่โกรกชันเหมือนเขาขัดเหมือนทะเลที่ค่อยๆลาดลุ่มฉันใดธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคก็มีอนุปปภะศิษฐาอนุปปภะกิริยาอนุปภปภะปฏิปทาการศึกษาตามลําดับการกระทําตามลําดับและการปฏิบัติตามลําดับปฏิบัติก็คือปฏิปทาหมายถึงเครื่องดําเนินและดำเนินตามปัญญาอย่างนี้เรียกว่าปฏิปทาหรือเรียกว่าปฏิบัติ